ถ้าวิธีเข้าสมาธิยังจับชายในที่สุดก็พายเรือวนอยู่ในอ่างคนที่เข้าสมาธิเป็นจริงๆต้องแม่นเบสิกสองข้อ 1. คือใช้ชีวิตแบบเอาจิต ด, ดีๆ 2. คือจับจุดการเข้าสมาธิได้ขึ้นใจถ้าวิธีใช้ชีวิตของคุณเป็นไปเพื่อความเหลวแหลกทางจิตวิญญาณ ต่อให้มีอุบายวิธีเข้าสมาธิดีแค่ไหนอย่างไรก็ไม่มีฐานแข็งแรงพอจะก่อสมาธิขึ้นมาสำเร็จคนทำสมาธิที่มาไกลแล้วส่วนใหญ่มีจุดอ่อนตรงความรู้สึกว่ามาไกลแล้วเก่งแล้วชัวร์แล้วนั่นแหละความรู้สึกเช่นนั้นทำให้ประมาทในการใช้ชีวิตคิดว่าจะเข้าสมาธิได้ตลอดไปต่อให้พูดจาต่อให้ทาเรื่องเละเทะยังไงก็เถอะ และในทางกลับกันแม้วิธีใช้ชีวิตของคุณจะสะอาดปราศจากมนลทินต่อจิตแต่วิธีเข้าสมาธิยังจับชยัยจำไม่ได้ว่าต้องตั้งกายตั้งใจอย่างไรในที่สุดก็พายเรือวนอยู่ในอ่างกี่ปีกี่ปีก็ไม่ออกดอกออกผลเป็นจิตวิเวกเบิกบานนิ่งอย่างว่างวางอย่างรู้ขึ้นมาได้คนที่ก้าวหน้าคนที่มาได้ไกลบนทางสมาธิ มักไม่ใช่พวกที่ออกตัวพรวดพลาดไม่ใช่พวกที่วิ่งกระโดดไกลได้ฟลุ๊กๆไม่ใช่พวกที่ล้มแล้วไม่รู้วิธีลุกแต่เป็นพวกที่เริ่มก้าวแรกอย่างเข้าใจพวกที่ก้าวเนิบนาบอย่างมั่นคงพวกที่ล้มแลรู้ขั้นตอนที่จะลุกขึ้นใหม่การทบทวนก้าวแรกบ่อยๆแม้จะก้าวมาได้ไกลแล้วเป็นเรื่องสลักสำคัญสมาธิจะมีความก้าวหน้า คือสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าอยากก้าวไกลอย่าลืมก้าวแรก